ที่เราตั้งจุดไว้ตอนออกไปว่าระหว่างเอาตัวรู้สึกความรู้สึกที่เป็นที่อยู่ของจิตเพ่งไปกับายาตนะภายนอกกับการเอาที่อยู่ของจิตมาอยู่กับายาตนะภายในมีความแตกต่างกันอย่างไรแล้วการรักษาจิตระหว่างเราเอาจิตไปอยู่กับายานะภายนอกกับายานะภายในเนี่ยอันไหนง่ายกว่าวิธีเรา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 เ, ออเรื่องของวิปัสนาเป็นเรื่องของการศึกษาเป็นการใช้ปัญญาทุกขั้นตอนใช้สีละสีขาจิตแต่สีขาและปัญญสีขาแต่วิถีของสมร t เป็นการใช้ <c oughs> เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าคือการบังคับให้จิตอยู่อยู่เฉพาะจุดเฉพาะทางเพื่อหลบเลี่ยงอารมณ์อะไรบางอย่างที่ยังควบคุมไม่ได้ทีนี้ใน การศึกษาระบบใหม่เนี่ยที่มาพยายามทำมา น, นี่คือการวิเคราะห์ในการพฤติกรรมของเราเองทุกขั้นตอนซึ่งมันจะเปลี่ยนจากเมื่อก่อนที่นั่งฟังพระบรรยายทีละชั่วโมงสองชั่วโมงเลื่อยเชื่อไปถามว่าดีไหมก็ดีแต่ว่านั้นเป็นสิถธของสมถะคือกล่อมเกลาให้เกิดศรัทธาให้เกิดความประสานะเสียก่อน แต่ในระดับเราซึ่งเป็นคนวัดคนวาผ่านการศึกษามาเยอะเนี่ยก็ไม่จำเป็นแล้วบรรยากาศแบบนั้นแต่ต้องการบรรยากาศที่เป็นลักษณะวิเคราะห์วิจัยในพฤติกรรมของตัวเองในแง่ของกายของจิตของตัวเองถึงเราก็เหมาะที่จะเรียนวิปัสสนาได้นะนะอนนนเองในพูดถึงว่ายะตะนะภายนอกหมายถึงว่ารูปเสียงกษษษษิริสัมผัสที่มากระทบกับตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานะ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 พระอะไรพระุทธองค์ถึงสกล่าวว่าการที่ทําจิตให้สงบอย่างสูงสุดไปถึงขั้นพรมเนี่ยมันทะลุปไปหาอาริยะไม่ได้อริยะภูมิไม่ได้เป็นพรมภูมิคือไปสู่รูปขั้นละเอียดที่เรียกว่าปรมาตามันมหาตมันตั้งแต่อัตมั์มหาตามั น, มาามนปรมาตตมันพรมมันขึ้นไปขึ้นสูงสุดเท่านั้นเป็นรูปละเอียดที่สุดซึ่งไปพ้นจากรูปไม่ได้ ในพวกของรายละเอีดของสมรถะจึงไปเกิดเป็นพรมแต่พอมาสู่หลักของวิปัสสนาทําลายทั้งเด็ดต้นเลยไม่มีไม่กระทั่งอัตตาเป็นอนัตตาพอเป็นอนัตตาเพราบก็จะเปลี่ยนเป็นสติสมถทิปัญญาญาทัศน์ไปอีกสายหนึ่งต่างหากเลยนี่ก็เป็นวิปัสสนาะนั่นเมื่อเป็นอย่างนี้เมื่อเราเห็น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 ในตัวอวัตนะภายในคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่มากระทบกับยวัยวะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเราก็จะเห็นขอบเขตของการสั่นสะเทือนภายในได้ง่ายกว่าเช่นรูปกระทบตาการสั่นสะเทือนในแง่ของตาของรูปเลยแทบจะไม่ปรากฏแสบตาคันตาแต่รูป ภายในจิตปรากฏเป็นความชอบความไม่ชอบความสวยความงามความไม่งามเสียงก็เหมือนกันกระแทกกระทันที่หูอาจจะหนักหูแต่ใจเราก็รับไปปรุงต่อเนี่ยควบคุมกันได้ยากทั้งภายนอกที่เข้ามาแต่ภายในนั้นเรามาดูที่อาการสารั่นสะเทือนของธาตุต่างๆทั้งสีดินน้าลมไฟซึ่งออกมาเป็นเพียงสองอาการคือสบายและไม่สบายสุขและทุกข์ ทนได้และทุนไม่ได้เท่านั้นเองแล้วก็ค่อยปรับซึ่งปรับเงื่อนไขาภายในจะง่ายกว่าปรับแค่สองเรื่องคือสบายนะไม่สบายถ้ามันไม่สบายก็ปรับให้มันสบายสบายเกินไปก็ปรับให้มันไม่สบายขึ้นมาหน่อยเยปรับให้อยู่ตรงกลางตรงนี้เป็นวิถีของวิปัสสนะาเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็จะดึงจิตกลับมาสู่อวัยวะภายในได้มากขึ้นถ้าเราเห็นความจําเป็นและสําคัญ เมื่อจิตเข้ามาสู่ภายในมากขึ้นจิตก็จะรวมตัวกันโดยโดยง่ายเป็นสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิเพราะสัมมาสมาธินั้นเอาตัวสภาวะธรรมหรือปรมัตาธรรมเป็นอารมณ์คือความรู้สึกที่มีต่อสิ่งนั้นคือเหลือแค่สองคือความรู้สึกพอใจและไม่พอใจนะเข้ามาเป็นตัวนิมิตเฝ้าดู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 ไม่ยอมรับเราก็ต้านเราก็พยายามที่จะหนีพยายามที่จะหลบพยายามที่จะาหาทางหลีกเลี่ยงอ่ามันก็กลายเป็นตัวอดัดกัดเรียมัธานุโยคเพราะมันเป็นความจริงที่จะหลบเลี่ยงไม่ได้ยิ่งหลบเลี่ยงก็ยิ่งทุกข์เป็นอดัดกัดเรียมัธานุโยคแต่พอมาเรียนวิปัสสนาเกิดปัญญาปั๊บท่านให้ปรับทั้งสองส่วนปรับทั้งความสบายไม่พอไม่สบายเนี่ยให้เป็นกลาง ไม่ให้ไปติดยึดในความสบายหมายความว่านั่งสบายแล้วก็ลุกหนีใชพอ nang รู้สึกไม่สบายแล้วก็เปลี่ยนใะแต่ส่วนใหญ่ไม่เป็นอย่างนั้นพอเร่งนั่งสบายแล้วก็นั่งไปเรื่อยเรื่อยม่ยอมลุกหนีใช่ไหมแต่รู้สึกนั่งไม่สบายถึงแกบางทีก็แชก็ถือว่าเอาตัวไม่สบายนั่นแหละเป็ น, นิมิตรในการเพ่งจิตเข้าไปเพื่อทรมานจิตอีกที่หนึ่งถือว่าเป็นการบําเพ็ญขันติบาลมีนะ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 ก็มันทุกมันทุกเพราะอะไรเพราะเรานั่งทับมันถ้านั่งทับมันต่อไปมันก็ทุกข์เรยเรื่อยท่านบอกว่าเหตุแห่งทุกข์ให้ละใช่ไหมแต่เรากลับไม่ละเรากลับไปสู้กับมันเรากไปกดไปทับมันง่ายๆเลยนะแต่ว่าเหตุให้เกิดทุกข์คือต้องละหมายความว่าเหตุให้เกิดคือนั่งท่าเนี้ยมันเป็นเหตุให้ปวดขาก็ละท่านั้นเสีย ค, คือเปลี่ยนอีกบทไปเนี่ยละเหตุของมันเราไม่ได้ละทุกข์ตัวนั้นแต่ละเหตุของทุกข์แต่ทุกข์มันหายไปเอง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 ในเมื่อมันสุขและมวลที่จะหนีในเมื่อมันทุกข์ในที่จะหลบจะเลี่ยงจะกบจะเกลื่อนเมื่อมันทุกข์แต่เราไม่ได้จับทั้งสองด้านมามาหามาวิเคราะหา์หามาวิจัยหาสภาวะที่พอดีมันจึงจิตก็เราเป็นกลางได้ยากน่ะอันั้นเองเราก็จะต้องทําซ้ำซากแบบ น, นี้ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะได้สติมากขึ้นได้ปัญญามากขึ้นแะค่ค่อยรู้เท่าทันสุขรู้เท่า ท, ทุกข์บ่อยขึ้น สุกทุกมาส10ครั้งเรารู้สักห้าครั้งสิบหครั้งเจดครั้งก็ค่อยๆขยับไปไสุขมากี่ครั้งความสบายกายความสบายกายเปลี่ยนนี้บททุกครั้งมันก็สบายขึ้นเราได้ตามรู้มันไหมเมื่อนั่งไปานานๆมันหนักหน่วงปวดเมื่อยขึ้นเราได้ตามรู้มันไหมเราได้สมดุลเราได้ปรับแก้อะไรมันไหมเนี่ยถ้าหากว่าเราค่อยสังเกตอย่างนี้บ่อยๆมีข้อสังเกตอย่างนี้บ่อยๆตัวสภาวะ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 มันเป็นอันเดอร์คอนโทรลเงื่อนไขที่อยู่ในร่างกายของเราถ้ามันอยู่ในภาวะที่เราควบคุมได้สิ่งนั้นจะอํานวยความสะดวกให้กับเราฉันใดก็ดีภาวะของสุขเหมือนน้าภาวะของทุกข์เหมือนไฟถ้าเราสามารถปรับให้มันอยุ่ใต้ภายใต้เงื่อนไขที่ควบคุมมันได้เนี่ยสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นในกายนี้ในใจนี้มันกลับจะเป็นส่วนอํานวยความสะดวกให้กับเราเห็นไหม แต่ถ้าหากว่าสุขทุกข์นี้เหมือนน้ำกับไฟที่เราควบคุมมันไม่ได้ไม่สามารถควบคุมไม่สามารถเปิดปิดได้ตามต้องการสุขทุกข์ภายในร่างกายพร้อมที่จะทําให้เราขึ้นสวรรค์ตกนรกก็ได้ในเวลาเดียวกันเพราะฉนั้นนรกก็เป็นที่ไปของเป็นที่ไปสู่เป็ที่มาจากทุกขเวทนาสวรรค์ก็มาจากสุขเวทนานั่นเองแต่พระองค์ท่านเห็นว่าเมื่อไปนรกก็ไม่พ้นสวรรค์เมื่อไปสวรรค์ก็ไม่พ้นนรกอยู่ดี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 ปรับเงื่อนไขให้มันใช้ได้ตามตรต้องการอยู่ในควบคุมของเราต้องการออกก็ได้ต้องการออนก็ได้ตอลอดเวลาแต่สุขทุกข์ในร่างกายของเราถ้าเราปรับตามเงื่อนไขนี้ไม่ได้เนี่ยเรา อ, อ็อกเราออนมันไม่ได้ตามต้องการนั่นก็เรียกเป็นเงื่อนไขที่เราอะไรโอเวอร์คอนโทร ล, rol, ลไม่ควบคุมมันไม่ได้อันนั้นคือเหตุของทุกข์นะความเจ็บป่วยของร่างกายที่มันอยู่ในเงื่อนไขแล้วรักษาได้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 จนกระทั่งมาจเจริญวิปัสนาเราจึงมาแยกเอาตัวรู้นี้ออกมาต่างหากคือไม่ให้ไหลาตามสุขไม่ให้ความรู้สึกชนิดนี้ไปรับใช้สุขไปรับใช้ทุกข์แต่ให้มาเป็นผู้ดูสุขดูทุกข์แยกตัวนี้ออกมาเสมือนเราแยกมเมล็ดออกจากฝักแยกออกมาต่างหากถ้ามันปล่อยให้มันอยู่ในฝักมันก็ตายด้วยกันเน่าไปทั้งฝัก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 เพราะฉะนั้นอันนี้คือหลักที่เราต้องศึกษาทั้งสี่และสี่ขาจิตตสิ่ขาและปัญญาสิ่ขานะทั้งสามอย่างก็จะเป็นองค์ของวิปัสสนานะทีนี้เมื่อเรารู้หลักอย่างนี้แล้วเนี่ยหน้าที่ของเราคืออะไรก็จะต้องมาเพิ่มอยู่สองหลักคือมาเพิ่มศรัทธาและเัญญเสริมศรัทธาและความเพียร น, นะถ้าเราจะนําเอาวิปัสสนานําหน้าศรัทธาและความเพียรต้องเพิ่มเข้าไปเพื่อที่จะได้ เพิ่มกำลังของตัวรู้ศรัทธารักที่จะทำฝักไฟที่จะทำชอบที่จะทำแล้วก็เรียกว่าเข้าไปาศึกษาค้นคว้าด้วยความาเข้าใจในสิ่งนั้นแล้วก็เพียรทำต่อเนื่องเรียกว่าเป็นวิริยะนักนละกันในคำสอนของพระพุทธเจ้าในจุดนี้ชัดเจนมากแต่เนื่องจากว่าเราไม่ค่อย เว่าเป็นนักปฏิบัติเราไม่ค่อยมานั่งวิเคราะห์วิจัยกันในเรื่องเหล่านี้เราก็จะฟังไปตามศรัทธาพูดถึงเรื่องได้อั น, นิี้สูงอย่างนั้นได้อันนี้สูงอย่างนี้ต้องทําแบบอย่างนั้นต้องทําแผนอย่างนี้ต้องทําประยัดหลักประยัดว่าอย่างนั้นหลักการอาจารย์นว่าอย่างนี้ไปนอกหมดเลยแต่เราไม่ได้กลับเข้ามาวิเคราะห์ในสภาวะที่มันกําลังมีกําลังเป็นอยู่มันถึงได้ไกลห่างไกลตัวเองไปเรื่อยๆไง อันนั้นอันนี้คือเราจะเห็นว่าการที่จะมาเจาะเข้าถึงข้อมูลในตัวเองก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอาศัยบรรยากาศที่เอื้อแล้วก็วิธีการที่ที่เจาะลงไปโดยเฉพาะในวิธีการของพ่อเทียนเป็นการเข้าไปศึกษาเรื่องนี้โดยเฉพาะาพดเดี๋ยวหลวงเทียนท่านเป็นต้นที่จะจุดประเด็นในเรื่องของสติแบบนี้ขึ้นมาเพื่อให้เราได้สารต่อไปตาม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 ถามว่าเกจิอาจารย์ท่านอื่นได้เน้นสอนไว้เรื่องนี้เน้นแต่ว่าไม่ได้เจาะลึกท่านเน้นไปหลายๆจุดศีลก็ดีสมาธิก็กดีปัญญาก็ดีสติก็ดีญาณก็ดีฌานก็ดีเมตาก็ดีการุณาก็ดีไปหลายๆจุดทีนี้เราก็คว้าหลายๆจุดพรากฏว่าไม่ทันเวลาแต่พอหลวงพ่อเทียนเกิดขึ้นมาท่านชี้จุดเดียวโปลงไปว่าตัวนี้นะ ถ้าทาตัวนี้ได้ตัวอื่นมันทะลุหากันหมดคุณไม่ต้องไปวิ่งหางตรงนอ้ตรงนี้ถ้าคุณจะวิ่งหาบ่อน้ําตื้นเนี่ยคุณบ่อ น, นี้แห้งคุณก็ไปหาบ่อนั้นบ่อนั้นแห้งคุณก็ไปหาบ่อนั้นไปร้อยบ่อพันบ่อมันไม่จบแต่คุณยอมเจาะเสื้อบ่อเดียวเจาะให้ลึกให้มันทะลุถึงตาน้ําเลยทีเดียวแล้วคุณไม่ต้องไปวิ่งหาน้ำอีก ห, หลายที่นี่คือวิธีการของพุทธิย น, เ, นเจาะทะลุให้ถึงหลักหลักสติแต่มันจะผ่านชั้น ของความรู้ต่างๆลงไปผ่านสยินผ่านสมาธิผ่านปัญญาผ่านฮินิอุตปาผ่านญาณทัศนะผ่านไปเรื่อยๆผ่านวิปัสนาญาณลงไปเป็นชั้นเป็นชั้นลงไปจนกระทั่งถึงตานา้ําคือมรรคผลนะตลอดเวลาที่เจาะลงไปมันก็เจอตานา้ําตาตื้นๆ ต, ตาเล็กๆตาสั้นๆไม่นานมัก็แห้งแต่เราก็ไม่พอใจแค่นั้นเมื่อจิตเราได้สมาธิเอาไม่พอใจแค่นั้นอา่าไปได้ สปัญญาไม่พอใจแค่นั้นไปได้ญาณไม่พอไปได้วิปัสนาญาณฉะนั้นฉะนั้นเจาะไปเรื่อยเรื่อยจนไปถึงตัวญาณทัศน์วิมุติถึงตาหามของมันเราก็จิตเราก็หยุดยแค่นั้นนี่คือหลักในวิธีการวิธีการอันนี้นะฮะฉะนั้นจึงไม่อยากจะให้เราซึ่งเป็นคนวัดคนวาฝักไฟสแสวงหาวิธีการปฏิบัติมาเยอะมานานเนี่ยก็ไม่อยากให้เสียเวลากับเรื่องไม่ใช่ว่าเรื่องไร้สาระเรื่องที่มัน มันผ่านมาแล้วอ่ะทุกคนมีศรัทธาไม่เยไม่ต้องเป็นตท่าใครมากระตุ้นกระเจิงให้เรามากหรอกทุกคนมีสมาธิได้ทำมาพอสมควรแต่ตัวปัญญาที่จะเข้าไปสู่หลักของวิปัสสนาญาณเนี่ยเราไม่ค่อยได้ลงลึกกันเท่าไหร่นะเราเต็มไปได้วยรูปแบบวิธีการศาสนพธิธีธรรมกราถาตำลามากมายปัจจุบันนีที่เราเห็น แต่เราก็ต้องยอมรับเพราะนั้นเป็นวิธีของสังคมเป็นวิธีของวัฒนธรรมาเพระฉะนั้นในการมาปฏิบัติของเราจึงใช้หลักว่าวันทั้งวันให้ท่านเดินวิเคราะห์วิจัยตัวเองแล้วเราก็จะสรุปให้จนเช้าจนเย็นตัวเองว่ามันเป็นอย่างนี้ไหมที่เราทำํำถ้ามันไม่ใช่อย่างนี้ก็ต้องไปปรับแต่ถ้าสิ่งที่มานําเสนอมาถามว่าถูกหรือไม่ถูก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 ทำภูมิปัญญาของแต่ละคนนะบางคนก็มีพื้นฐานมายาวนานก็วิเคราะห์ได้ชัดเจนบางคนมีพื้นฐานมาปางกลๆก็ยังคุมเครืออยู่บางคนไม่มีพื้นฐานมาเลยก็ยังงงๆยังไม่รู้เหนือรูดด้ต้าว่าท่านพูดอะไรนะอันนี้ก็พื้นฐานมาไม่เหมือนกันและเราค่อยๆเริ่มศึกษาไปเรื่อยๆนะเพะนั้นลําดับต่อไปนี้เป็นเวาลารของการถามปัญหา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 มีการเกิดและการดับใช่ไหมมีแค่สองอย่างแค่นั้นโลกิยะโลกุตระสมถาวิปัสนากายใจหยุดนิ่งเพื่อนเกลทีนี้ถ้าจะถามต่อไปว่าสมมุติว่าสมถะกับวิปัสนาเกิดมาจากกําเนิดมาจากการเกิดและการดับสองอย่างนี้อย่างไหนควรจะเป็นเกิดอย่างไหนควรจะเป็นดับ ระหว่างสมรรคกับวิปัสสนาเออถ้ากิดแล้วต้องตอบได้เกิดเกิดได้มีการสิ้นสุดไหมดับมีการสิ้นสุดไหมอันไหนสิ้นสุดอันไหนไม่สิ้นสุดสมระไม่สิ้นสุดเพราะยังมีเชื้อเหลืออยู่สุ่มสุดไปแค่พรมวิปัสสนาสิ้นสุด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 เนั้นทั้งสองอย่างมาจบที่ว่าตัวโลกุตระปัญญาเป็นหนึ่งใช่ไหมทั้งสมถะและวิปัสนาท่านนั้นถ้าทั้งสองอย่างนําไปสู่ตัวโลกุตระปัญญาได้ <Good. S 1> ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเดียวได้แต่ถ้าตัวใดตัวหนึ่งนําไปสู่โลกุตระปัญญาไม่ได้ก็ถือว่าเป็นตัวเกิดอยู่วิปัสนาอาจจะเป็นตัวเกิดก็ได้เพราะวิปัสนาที่ผิดทางสมถะจะนําไปสู่ตัวดับก็ได้เพราะเป็นสมถะที่ถูกทาง <S <s <ๆ>ก็นําไปสู่วิปัสนาเข้าใจไหม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 เพราะทให้เกิดทุกข์มากใช่ไหมแต่ผู้ชายเข้าไปแก้ป ah, ัญหาต้องฝ่ายเป็นดับทุกข์ใช่ไหมตอบอย่างนั้นหนึกว่าอันนี้ยมตอบเองนะผู้หญิงเป็นฝ่ายเกิดผู้หญิงยอมไหมผู้หญิงเขาไม่ยอมเหรอเรียกว่าไงอ๋อนั่นเห็นไหมไปง่ายๆเลยนะทําให้เกิดความสุขในครอบครัวแล้วทําให้เกิดลูกได้ด้วยใช่ไหมไม่ไดนที่สองอันนี้อย่าหลงประเด็น ทั้งชายและหญิงต่างก็มาจากการเกิดใช่แต่ทั้งชายและหญิงนี่เองถ้าหากว่าในความเป็นชายเป็นหญิงที่อยู่ภายนอกเนี่ยคือสมมุติอันหนึ่งใช่แต่ความเป็นชายเป็นหญิงที่แท้จริงมาจากไหนความเป็นชายเป็นหญิงอยู่ความเป็นชายอยู่ในผู้หญิงความเป็นหญิงก็อยู่ในผู้ชายเพราะในความเป็นผู้หญิงมีความเข้มแข็งอยู่ด้วยใช่ไหมและในความเป็นผู้ชายก็มีความอ่อนน้อม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 อันนี้เป็นสัจจะนะไม่ใช่เป็นปัญญาแน่นอนเพราะฉะนั้นในในเกิดก็มีดับอยู่ในดับก็มีเกิดอยู่ในสุขก็มีทุกข์อยู่ในทุกข์ก็มีสุขอยู่แต่มีสัดส่วนถ้าหากว่ามีสัดส่วนมากมันก็เอ็นไปทางนั้นในทุกข์ถ้ามีสุขอยู่น้อยเขาเรียกว่าสัดส่วนมีสุขน้อยเขาเรียกว่าสุขก็มีสัดส่วนแห่งทุกข์เหมือนกันแต่มันมีทุกข์น้อยเท่านั้นเองดังนั้นเอง เมื่อเราแสวงหาในลักษณะของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟทั้งสี่ธาตุเนี่ยแบ่งเป็นสองขั้วคนละสองธาตุธาตุไหนคนจะเป็นธาตุของหญิงธาตุไหนคนจะเป็นธาตุของชายคนละสองธาตุช่วยกันแบ่งดูอ้าวผู้ชายว่าไงว่าผู้หญิงควจะเป็นธาตุไหน น้ำผู้ชายอ่ะหาให้เจอก่อนหาของง่ายๆให้เจอก่อนผู้ชายควรจะเป็นท่าไหนบ้างลมกระไฟเพราะลักษณะของผู้ชายต้องดูลักษณะดูลักษณะของผู้ชายคือลักษณะที่เข้มแข็งเห็นไหมก้าวร้าวรุนแรงเร่าร้อนเพราะฉะนั้นควรจะเป็นท่าอะไรผู้ชาย ดินกับไฟใช่ไหมผู้หญิงควรจะเป็นน้ำกับลมถึงจะดับไฟได้อ่าผู้ชายรับไหมรับนะถูกตัดสินแล้วว่าให้เป็นดินกับไฟยอมสวัสดิ์เห็นด้วยไหมอ่ายอมรับไฟมากถ้าหากว่าผู้หญิงเป็นดินกับไฟผู้ชายเป็นลมกับน้ําเป็นไงไปรอดไหมไม่รอดนะเผากันไปก็เผากันมาอยู่นั่นแหละอ่านี่ เพราะนั้นถ้าเรายอมรับความเป็นจริงของตัวนี้นะผู้หญิงยอมรับความเป็นจริงของผู้ชายเออเขาต้องเข้มแข็งเขาก็ร้าของเราร้อนนี่คือธาตุของเขาแล้วก็ผู้ชายก็ยอมรับความอ่อนแอและอ่อนโยนของผู้หญิงเออเขาก็าไปเหมือนไก่ใสน้ำเหมือนไก่แสลมเอาแน่นนอนไม่ได้ใช่ไหมผู้ชายเขาจะไม่ทุกข์เพราะผู้หญิงเพราะเข้าใจธรรมชาติของเขายอมรับไหมยอมรับได้นะ ธาตุต่างคนต่างยอมรับความเป็นจริงอย่างนี้ในกันในกันก็อยู่ร่วมกับในแง่ของสมมุตินะแต่ในแง่ปรมัตัยในตัวเรามีทั้งธาตุสีดินน้ำลมไฟธาตุลมกับธาตุไฟทําหน้าที่อะไรธาตุาดินกับธาตุน้ําทําหน้าที่อะไรธาตุลมธาตุดินกับธาตุน้ําเป็นเขาเรียกว่าเป็นสเตติกสเตติสติกคือธาตุคงที่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 ถ้าหากว่าเด็กของเราได้ปฏิบัติพิพิชนาเข้าใจได้แต่อายุเจดขวบแปดขวบเก้าขวบเด็กคนนั้นก็ไม่มีความต้องการที่จะแต่งงานนี่แล้วเพราะไลแรงดึงดูดอีกฝ่ายตรงกันข้ามเพราะตัววิปัสนานี้เข้าไปเข้าใจแล้วจิตของเราก็จะเกิดการปล่อยวางจางคลายจากแรงดึงดูดของธาตุทั้งสองแต่ถ้าหาเราไม่มีวิปัสนาอยู่ในใจผู้หญิงก็ต้องแสวงหาธาตุที่เข้มแข็งเร่าร้อนเข้ามาเสริม ผู้ชายก็แสวงหาทตาที่อ่อนโยนนุ่มไหนหนุ่มนวลเยือกเย็นเข้ามาเสริมเพื่อให้เกิดความสมดุลในตัวเองชีวิตในครอบครัวจึงเกิดขึ้นเพราะเหตุนี้จึงปฏิเสธไม่ได้แต่ถ้าคนไหนที่ไม่ได้พิพิชณาด้วยไม่ได้แต่งงานด้วยเป็นไงโอ้โหทุกน่าดูเลยเพราะต้านทั้งสองอย่างนะต้านทั้งทางโลกตั ง, ง, งเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่แต่งงานก็ต้องรีบปฏิบัติพิพิสนาหรือคนที่ไม่ต้องการหลีกเลี่ยง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 อยู <ítulo> ่คนเดียวก็ไม่มีความสุขอยู่สองคนก็ไม่มีความสุขใช่ไหมแต่ถ้าศึกษาเรื่องนี้แล้วอยู่สองคนก็มีความสุขอยู่คนเดียวก็มีความสุขแต่ว่าต้องเข้าใจเหมือนกันทั้งสองคนนะไม่ใช่ว่าพิปัสนาคนเดียวคนไม่พิปัสนาในยุ่งเลยหนักหน้าดูเลยเพราะอีกคนหนึ่งต้องแบ่งนะได้อย่างโยมสูงพอในโยมจันทีเนี่ยเป็นพิปัสนาทั้งสองก็อยู่ก็ได้สบายเหมือนพี่เหมือนน้องเลยเหมือนพ่อเหมือนแม่ไปใช่ไหมแทนที่จะเป็นผัวเป็นเมียฮะ อันนี้เราอันนี้เราไม่ว่ากันนะไม่แต่งงานอไม่คนไม่แต่งงานนี่เขาเรียกอนาคาลิกหรืออนาคามียเรอได้ถึงสูตรถึงกันแล้วอนาซาดุ้ยเยนะต้องตรวจสอบต่อไปต้องทดสอบต่อไปนะจริงหรือเปล่าเนะตรวจสอบต่อไปนะ พอในเรื่องหี่เนี่เนะจ้าต้องนํามาวิเคราะห์กันอย่างกว้างขวางนะไม่งั้นเราจะสงสัยว่าทําไมเป็นอย่างนี้เอ๊ะทำไมถึงชอบคนนี้เหลือเกินเออทาไมถึงรักอย่างนี้เกินไม่รักไม่ได้หรือเนี่ยถ้าคุณไม่วิปสัสสนาคุณจะคิดอย่างนี้ไม่ได้เพราะแรงอันนั้นมันแรงกรรมมาแรงกว่าแต่วิปสัสสนาแล้วแรงกรรมมันจะผ่อนลงนแรงดื้อดุมันจะผ่อนลงตามอํานาจของปัญญาเพราะฉะนั้นในสมัยครั้งพุทธการพระพุทธเจ้าจึงรีบไปเอาพระราภุญมาบวชไงใช่ไหมทั้งๆ ท, ที่อายุเท่าไหร่ดังนั้น ตอนที่ท่านตัสรู้ใหม่ๆท่านทิ้งพระราหุนมาแล้วหกปีแล้วใช่ไหมหกปีถึงได้ตัดสรู้ใช่ไหมทีนี้หลังช่างตัดสรู้แล้วอีกเจ็ดปีท่านถึงจะไปเอาพระราหุนมาบวชหกบวกเจ็ดไปเท่าไหร่สิบสามตอนนั้นพระลาหุนอายุสิบสองบสาพระพุทธองค์ว่าเออถ้าเกินสิบห้าเอาไม่ได้นะต้องรีบเอามาตอนสิบสองสิบสามนี่เอามาได้วุฒิภาวะทางเด็กพอรับรู้เป็นอะไรได้แล้วใช่ไมสิบสามเองแล้วก็ แล้รหุ่นก็ได้ออกบทจริงๆนะเพราะนั้นสามเณรในสมัยพร้พุทธกาลมีสามสี่รูปที่ดังๆสามเนรลาหุ่นสมเณรที่มุตตกะสามเณนสังกิตสมเณนอะไรนาระสี่องค์ห้องค์นะจำได้ไหมฮะบันิสามเบนดิตสมมุตตะกะสามเณนสังกิจแสมมเนรลาหุลสมเณ ที่เป็นสมณี น, นที่ได้บรรลุธรรมนะดันั้นเองในจุดนี้ไม่มีสมณีนนองค์หนึ่งหน้าสนใจมากท่านอธิมุตตกาศสมณี น, เ, นเป็นลูกศิษย์ของพระสารีบุตรบวชใหม่อาจารย์สารีบุตรก็พาไปบินทบาทเขาพาไปบินทบาทไปเห็นชาวนาเหล่าไอ สมัยก่อนไม่มีกระสุนไม่มีลูกปืนเนาะเขใช้ลูกศรเนาะเหลาลูกศรเหลามันโคดอ่ะแล้วก็ไปลนไฟแล้วก็ดัดโดนไฟแล้วก็ดัดสำเ น, นินเอ๊ะไม้ไม่ม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่เป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตมันยังดัดได้เลยเราเป็นสิ่งมีชีวิตธรรมจะดัดเราไม่ได้อ่าได้สติเลยเห็นไหมเนี่ยคนที่มีวาสนาบ า, บารามีมาก่อนเห็นอะไรเป็นธรรมขึ้นมาทันทีอ้าเดินไปอีกสักพัก ไปเห็นชาวนาเขานานันาน้นมันหน้นานาเนาะเขาขัดน้ําเข้านาทําเหมืองรู้ว่าน้ํามันจะไหลไปทางไหนทดเจ้าจของน้ำมันขุดร่องไปทางไหนน้ํามันไหลไปทางนั้ น, น, ไ, น, นได้สติอีกโอ้น้ําไม่มีชีวิตชีวาแต่มันสามารถดัดฝึกได้อะแต่เรามีชีวิตชีวาทำไมจะฝึกตัวเองไม่ได้พอได้สติสองสาครั้งนี่ก็บอกอาจารย์เลยว่าอาจารย์ผมกลับวัดก่อนเอาทำไมจะไปขอนั่งกรรมฐานเนาะงั้นเอองั้นกลับไปก่อนก็แล้วกัน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 เนี่ยเห็นไหมพอมีอุปนิสัยแล้วแค่บวชเปน็นสามเณรทีนี้พอถึงอายุยี่สิบที่จะบวชแต่บ้านสามเณรอยู่ไกลมากไปต้องลัดป่าฝ่าดงไปในสมัยนั้นแต่ว่าต้องไปก่อนที่จะบวชเป็นพระเนี่ยมันมีอยู่ข้อหนึ่งต้องพ่อแม่ต้องอนุญาตเราไปถามเวลาตกฟากให้แน่นอนว่าอายุอาจจะครบหรือไม่ครบเราไปถามเรื่องวันเดือนปีเกิดแล้วไปขออนุญาตจากพ่อแม่ แต่ในสมัยนั้นมันมียวดยานใช่ไหมต้องเดินไปกับแต่ว่าเส้นทางนั้นต้องเดินผ่านป่าฝ่าดงไปเดินผ่านป่าประดงแต่ในดงนั้นมีซ่องโจรมีซุมโจรอยู่ชุมหนึ่งหมายความว่าพวกที่ผ่านไปนั้นยากที่จะรอดแต่สัมมินต้องผ่านนะสัมมินต้องผ่านในที่สุดพอผ่านไปนั้นโจรก็จับสัมมินว่า เราจะปล่อยให้ท่านผ่านไปไม่ได้ถ้าผ่านไ ป, ท, นไปท่านไปบอกใครทางนู้นมาว่าพวกข้าพเจ้าอยู่เรือนี้ข้าพเจ้าถูกเจ้าหน้าที่ปลักเพราะนั้นข้าพเจ้าจะเป็นต้องฆ่าสัมเณินสนัมมณิก็ไม่สะทวกสถานนะบอกว่าฆ่าก็ได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าพ่อแม่ได้ข่าวว่าอาจารย์ส่งลูกไปพบท่านแล้วลูกไปไม่ถึงท่านเน่ยเขาก็ต้องมาตามหาลูกก็ต้องมาเชียวพวกท่านอยู่ดี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 ทีนี้พวกโจรก็ไม่ได้คิดว่าสํมณนจะจะกลับมาหรอกย่างไงก็เอาตัวรอดไปเท่านั้นเองเหมือนกับลายทั่วๆไปนะแต่พอเห็นสํานณีกลับมาเฉยเลยโอโ้เกิดความเรื่มใสโอ้สมนีนนี่พูดจริงทําจริงสํานณนเดินมาอย่างสงบไม่สรุปสถานหวั่นกลัวเหมือนเหมือนลายอื่นเลยเกิดความเรื่มใสว่าอสํมณนตัวเล็กๆตามบทีนี้คนรู้ว่าตัวเองจะตายจะถูกฆ่าเนี่ยต้องโอ้อย่าว่าจะเดินกลับมาเลยไห้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 แต่วิญญาณธาตุดังได้กล่าวมาแล้วว่ามันยังกระจัดกระจายไปตามอยายตนะต่างๆเช่นจกักรวิญญาณโสตรวิญญาณคณะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมนุวิญญาณจิตยังกระจายไปตามอยายตนะมันยังไม่รวมเป็นหนึ่งท่านจึงมาให้ทําวิปัสสนามาเจริญสติเพื่ออะไรเพื่อแยกเอาจิตที่มันซ่านไปตามอยายตนะต่างๆออกให้มันเหลือจิตเดียวพอให้มารู้อยู่จุดใดจุดหนึ่งให้มันเหลือเพียงเป็นตัวสติรวมอยู่ในตัวรู้สึกตัว ตรงนี้เรียกว่ายานวินหายไปไม่มีวิญญาณเป็นญานเหลือแต่ยานและยานตัวนี้เองจะนําไปสู่การรู้เรื่องของจิตอีกทีหนึ่งไปรู้เรื่องของอยายตนะภายในภายในภายนอ ก, นอกเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเรียกว่าธรรมะจากสุก็คือปัญญาญานนั่นเองเรื่อธรรมจากสุสามารถมองทะลุกายทะลุจิตของตัวเองได้เกิดปัญญาเกิดปัญญายานหรือธรรมจากสุขึ้นมาว่า มองทะลุแล้วเหลือแค่สองอาการคืออะไร เ, เกิดก็ดับคํานี้มีพยานอ้างยังไงอ้างตรงที่ว่าพระอัญญากุทฑยะหลังจากได้ฟังธรรมจากกวีสูตรของพระองค์แล้วเข้าใจแล้วอุทานออกมาว่ายังกินจิสมุทญาธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติทุกสิ่งทุกอย่างมีการเกิดและมีการดับเท่านั้นนอกจากการเกิดการดับไม่มีอะไรพออุทานคํานี้มาพระพุทธเจ้าก็ อนุโมทนาโอชัยหรือเข้าใจถูกต้องเลยว่าในร่างกายทั้งจิตใจมีแค่การเกิดและการตายอันฟอร์จู o นลลี่ไอโฟก l สยูเอ็ดโอเอฟซ์ลูตลี่โฟกัสโอเคมาริสาบินเฮลยูอธิบ t h ในวันนี้พอหัวหน้ามีท็อกเอาเดอร์เ o s i t oh, okay. i o <laughs> <For whole> n <nights. laughs> and ัน t i m a t e truth. Supposition, truth, and ultimate truth cause f ์เ m uh, ิงเอ i n g away and arising and f เริ i n g away. Yeah, that in our life we have two things arising and pass away all the time. So that thing can uh, simplify, amplify many, many, many functions in our body. Uh, all of them become pair of them, like uh, uh, happy and suffering, suffering uh, like a dislike, uh, have y e m a n and. Lady and the m e n and women. Uh, everything depends on the two of things. First, we call s u p p o s i t i o n is mean the form, called the form. Second, we call ultimate, we call formless or abstract thing. So we talk about that. For more detail, you need to ask the m e l i s a m a l tham t a m doi mai, leu ti. o n s <laughs> a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 คำถามต่อไปรูปรสกิ่เสียงของสมถะกัลรูหนหรือเสียงอายตนาภายนอกและภายในมาสมมุติว่าอายตนาภายนอกถ้าเราเป็นอารมณ์ของสมรรคอายตนาภายในเป็นอารมณ์ของวิปัสนาเนีทีนี้รูปรสกลิ่นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์เป็นของภายนอกหรือภายในเป็นสิ่งภายนอกหรือภายในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสภายนอกเข่าไหมอ่านั่นเป็นอารมณ์ของสมรรค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 เพราะมันเข้ามาอยู่เอาปรมัติเป็นอารมณ์แต่ตัวสมถะเอารูปเป็นอารมณ์ใช่ไหมรูปรถกินเสียงเสียงก็เป็นรูปดินก็เป็นรูปรถก็เป็นรูปแล้วก็ความรู้สึกทางกายก็เป็นรูปอย่าไม่มี next tomorrow โอเคโอเค when you have time อย่าไ have time to talk about it today enough for day หมดเวลานะ